47. พลังงานชีวะเป็นได้ทั้งอุปจยะหรือชรตาถ้าชีวะเหลือแค่ชรตาก็คือพลังงานที่มีแต่จะเสื่อมไปสู่ศูนย์สิ้นสภาพของมันกระทั่งหมดสิ้นภาวะของตนไปพลังงานขั้นชีวะที่เป็นอุปจยะ ถ้าไม่มีสัน ต, ติก็คือชรตาที่เป็นชีรานุปาทิซึ่งจะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆจนสิ้นตัวตนบ้างหรือจะดับนิโรธเป็นศูนย์ในที่สุดหรือในทันทีบ้างส่วนพลังงานขั้นชีวะที่เป็นอุปจยะถ้ามีสัน ต, ติก็เป็นชีวานุปาทิ ซึ่งอุปจยานั้นก็จะมีอุปจยาการเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปสืบต่อไปเป็นการเกิดใหม่โอการติเป็นธาตุใหม่ของอุปจยาธาตุใหม่ไปเรื่อยๆจะสมพลังงานที่มีความเป็นตนอัตตาเริ่มก้าวหน้าขึ้นสู่ความมีชีวาพัฒนาต่อไป ถ้าชีวะใดเกิดเป็นโรคอุตระก็สะสมลงเป็นการเกิดที่เรียกว่านิพพัติและจะเจริญสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงที่สุดก็เป็นอภินิพติแต่ถ้าไม่ใช่โรคอุตระภูมิก็เป็นสามัญโรกิยภูมิทั่วไป ไม่ว่าพีชนิยามหรือไม่ว่าจะเป็นจิตนิยามแต่ถ้าไม่มีพลังงานที่สืบต่อสันติเพื่อเกิดต่อไปก็จะเป็นได้แค่ชีรานุปาทิตนเองไม่สามารถช่วยตนเองให้สืบต่อชีวะของตนต่อไปได้อีกมีแต่จะเสื่อมไปหาศูนย์หรือเสื่อมสลาย จนสิ้นตัวตนไปภาวะนี้ก็ชื่อว่าชรตาแม้แต่อุปจยตาหรือชรตาก็ล้วนอย่างเป็นอนิจจตาทั้งสิ้นพลังงานที่ชื่อว่าอุปจยะต้องมีชีวานุปาธิจนกระทั่งมีชีวะเป็นของตนเองแล้วและพึ่งตนเองได้ด้วยอย่างอิสระ ที่จะพัฒนาชีวะของตนเองให้เจริญเติบโตต่อไปได้เองจนกว่าจะพัฒนาขึ้นไปเป็นชีวะที่มีความเป็นธาตุแท้ของความเป็นตนเองเซลเพื่อความเป็นชีวะของตนเองได้ยึงชื่อว่าภีชันิยามที่เกิดความอิสระพ้นจากธรรมชาติ แหงอตุนิยามไปหรือนำตัวเองเคลื่อนออกจากสถานที่ที่ตนเองเกาะอาศัยอยู่นั้นแยกตัวออกไปเป็นอิสระได้หรือลอยตัวออกไปผสมพันนอกภาวะที่ตนเองติดอยู่นั้นได้จึงจะชื่อว่าชีวขั้นพีชนิยาม